พคาถาป้องกันภัยสิบทิศบูรพารัศมิงพระพุทธคุณังบูรพารัศมิงพระธรรมเมตังบูรพารัศมิงพระสังขานังทุกขโรคาพยังวิวันชัยเยสัพพทุกขสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะหสเนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทะนังสัพพลาพังพระวันตุเม รักขันตุสุรักขันตุอาคเนยรัศมิงพระพุทธคุณังอาคเนยรัศมิงพระธรรมเมตังอาคเนยรัศมิงพระสังฆานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์สนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุ สุรักขันตุทักษินรัสมิงพระพุทธคุณงังทักษินรัสมิงพระธรรมเมตังทักษินรัสมิงพระสังคานังทุกขโรขภยัง ว, ว, premise, ieve, วิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพทะนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ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 ปัดจิมรัสมิงพระพุทธคุณังปัดจิมรัสมิงพระธรรมเมตังปัดจิมรัสมิงพระสังขานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโกสัพโสพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนีย์จันไรวิวันชัยเยสัพพทะนางสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ พายัพรสมิงพระพุทธคุณังพายัพรสมิงพระธรรมเมตังพายัพรสมิงพระสังคานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยัพทุกสัพพโก ส, สัพโสพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนีย์จันไรวิวันชัยเยสัพพะทังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ อุดอรรัศมิงพระพุธทธคุณังอุดอรรัศมิงพระธรรมเมตังอุดอรรัศมิงพระสังขานังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเย ي. สัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพสพภัยสัพพเคราะห์สเนียจันไร ว, วิวันชัยเย ي. สัพพะทานางสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรขันตุ อิสาน ร, รสมิงพระพุทธคุณังอิสาน ร, รสมิงพระธรรมเมตังอิสาน ร, รสมิงพระสังขานังทุกขโรคภยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโศสพโัสพโรคสัพภัยสัพภเคราะสเนียจันไรวิวันชัยเยสพัพพะนังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ อากาศรสมิงพระพุทธคุนังอากาศรสมิงพระธรรมเมตังอากาศรสมิงพระสังขานังทุกขโรคพยังวิวันชัยเยสัพทุกสัพโศกสัพโรคสัพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะทนางสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ ปัตวีรสมิงพระพุทธคุณังปัตวีรสมิงพระธรรมเมตังปัตวีรสมิงพระสังขานังทุกขโรคะพยังวิวันชัยเยสัพพทุกสัพพโกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียจันไรวิวันชัยเยสัพพะทังสัพพลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุ